ลองกลับมาดูตัวเองบ้างหลักสูตรวิปัสสนาคือการมองตัวเองรู้ เราต้องคืนเท่าไหร่บางครั้งต้องคืน 120 ต้องให้ดอกเพื่อนด้วยเราเป็นหนี้ใครเรา บุญคุณของแม่ที่มีต่อเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านมีบุญคุณต่อ อาจารย์ครับครับผมภูมิใจว่าผมนี่เป็นคนยอดกตัญญูผมเอาเตี่ยมาเลี้ยงเตี่ยอยู่ กินกาแฟเสร็จก็เดินผ่านเตียไปทํางานกลับจากธนาคาร จะพูดกับเตี่ยเท่านั้นใจเจ็บจริงๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างผมจะเดินผ่านเตี่ย เป็นสบายดีหรือผมนี่เลวของอาจารย์กลับไปบ้านคราวนี้รถจอด เห็นว่าไม่เป็นอันตรายแล้วแม่วัวก็ค่อยๆชวนลูกเดินพูด ลูกวัวเป็นสัตว์เดรัจฉานพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มกินนมวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งตกลงลูกวัวสู้ลูกคนไม่แล 100% และ เจ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้เมื่อมันโตขึ้นแล้วมันจะไม่เถียงแม่มันจะไม่ <c oughs> อีกสักตัวอย่างนึงนะผู้จัดการหญิงจบปริญญาโทแม่จบ ป. 4 ตอนนี้เราตัวเองเก่งกว่าแม่แม่มาเตือนด้วยความแล้วระวังนะลูกอย่าทําอย่างนั้นนะลูกอย่าทําอย่างนี้นะลูกระวัง พูดพูดแล้วพูดอีกขยันพูดจริงจริงๆไม่รู้ๆกระแทกแฟ้มโครมใส่หน้าแม่เป็นไงน่ารัก ถ้าไม่ใช่ลูกแม่ใช่ลูกแม่ไม่สอนวันสุดท้ายมานั่งสารภาพทั้งน้ําตา มีหน้ามีปริญญาเอกในสังคมจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบางทีเป็น ไท้ใต้สีหน้าบึ้งตึงก็ยังคงเป็นคําๆไม่ๆไม่มีเพราะ ท่านอยากให้ลูกประสบความสําเร็จได้ดีลูกๆทุกคนลองนึกภาพดูคนที่ขาดพ่อขาดแม่หรือคนที่ ติดคุกติดตารางหมดอนาคตลูกๆทุกคนในที่นี้นับว่าโชคดีที่สุดที่มีทั้งพ่อและแม่ ใครที่เห็นความชั่วความบกพร่องของตัวเองที่ทําไว้กับผู้มีพระคุณสูงสุดคือคุณพ่อ ยังขออโหสิกรรมกับท่านได้เมื่อออกจากปฏิบัติธรรมแล้วเอาดอกใจของผู้ปฏิบัติธรรมจะใสสะอาดความชั่วต่างๆที่เคยทําจะผุดขึ้นรู้ บัดนี้ลูกเห็นตัวเองยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ลูก ลูกกําลังใครที่เข้าถึงแสงธรรมนี้แล้วเป็นบัณฑิตกําลังจะรับปริญญาจากพระ 2 <ม. S 1> คนคนหนึ่งจบ และเดินเป็นหมื่นๆมาปฏิบัติวิปัสสนาที่นี่พอกลับไป ลูกเอาใบสมัครของยุวพุทธมาให้เซ็นอัวก็เซ็นวันนี้อัวเลยมา 3 คน 5 คนอยากรู้ว่าลูกคนไหนเป็นคน ต้องอ่านเข้าไปถึงหัวใจอ่านแวะหัวใจออกตูถ้าเต้นสองจังหวะถึงหัวใจอาจารย์ใช้คําว่าแวะหัวคนคนนั้นเป็นคนดีพึง 1 รู้คุณเที่ยวเราอุปการะบํารุงเลี้ยง ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเงินเดือนยังน้อยจังหวะที่ 2 ตอบแทนบุญคุณทั้งรู้ อยากรู้ว่าคนไหนอย 16 17 ปีวันสิ้นเดือน 9:00 น. 2,000 กว่าบาทประมาณ 10:00 น. ถึง 11:00 น. ซักผ้านี่พอได้เงิน เอ้าแล้วจะไปไหนหนูจะรีบไปส่งเงินให้แม่หนูค่ะอยู่หนองทรายแม่หนูจนหนูอาจารย์ฟังแล้วสะเทือนใจโอ้หน้าแม่ขนาดนี้กตัญญูกับแม่ขนาดนี้ลูกบางคนหน้า เห็นไหมข้างไหนเป็นเพชรข้างไหนเป็นก้อนปวดดูตรงนี้เด็กคนบางทีลูกของเรายัง ราคาประคองปริญญาบัตรเราตลอดดี เห็นคุณแม่หนาชัดเจนแล้วว่าคุณแม่หนาหนักเพี้ยงพระสุธาพระ จึงจะคู่ควรเหมาะสมกับพระคุณที่ยิ่งใหญ่สูงแต่ถ้าให้คนอื่นให้คะแนนเราคงได้คะแนนน้อยกว่าได้เรอยอย 80% อยู่ คะแนนเพราะอะไรกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะเรามักไปเปรียบเทียบกับคนที่ เขาต้องหาคนที่เก่งกว่าตัวเองต้องหาคนที่เก่งกว่าตัวเองชก ทำให้อาจารย์ตั้งใจให้ดีอาจารย์จะเล่าให้ฟังไม่ออกหนังสือเขียนไว้ 4 มารดาเป็นสามัญชนชื่อเจ้าจอมมนดา อาจารย์ได้ยินก็ตื่นเต้นกำลังหาแชมป์อยู่พอดีมาดูอายุ 7 ขวบ แม่จูมือออกจากวังว้าเหวเดียวดายขนาดไหนอยู่แม่ใช้มือเล็กๆนิ่มๆ5 แต่งตั้ง เป็นเสนาบดีที่อยู่นานที่สุด 20 กว่าปีลูกสาวเขียนบอกต่อไปว่าเสด็จอยู่ ตัวเองต้องว่าราชการในเวลากลางคืนด้วยกลัวจะรบกวน สิริมงคลก็ถามแม่ว่าแม่ต้องการอะไรอย่าหอมปลายเท้าแม่แม่อยากกินอะไรไหมเข้าหน้าผากลูกกลับเท้าเสร็จ แหมหิ้วผลไม้ถุงใหญ่ติดมือมาด้วยในประเทศไทยนี้ แต่ถ้าวันไหนเข้ามาแล้วแม่นั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิกรมพระยาดำรงจะก้ม ไปสัมผัสกับสิ่งที่ต่ําที่สุดในตัวท่านสิ่งที่สูง กลับเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เขารบอย่างสูงเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงเพราะฉะนั้นใครยังนาที 10 นาที มาเยี่ยมแม่มาทำให้แม่ชื่นใจเสếuก่อน แล้วจึงไปนอนตกลงว่านี่คือแชมเป็นลูกยอดกระตันยูกลับเท้าแม่ตอนเช้ากลับเท้าแม่ก่อนนอนความที่เป็นลูกยอดกระตันยูตายแล้วเหมือนไม่ตายตายแล้วเหมือนไม่ตายหน้ากระซวงมหัดไทยใครมาเป็นปลัดกระซวง ใครใครจะมาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีใครจะมาเป็นบาทแล้ว 10 นิ้วเท่ากลม พวกเราทุกคนไม่ว่ารวยจน 474840 ทุกคนมีเหมือนกัน อาจารย์ภูมิใจตัวเองเหลือเกินว่าเป็นลูกกตัญญูเวลาเงินเดือนออกอาจารย์ 5 ครั้ง 1 พระ 2 พระธรรม 3 พระสงฆ์ 4 มนดาบิดา 5 ครูอาจารย์วันหนึ่งแม่มาพักที่บ้านด้วย แล้วทำไมไม่ไปกราบที่ตักแม่เองอาจารย์ก็ผัดกับหมอนว่า ทำเสียหน้ามากเหมือนเข็นครบขึ้นภูเขาเสียหน้ามากวันพรุ่งนี้เอาใหม่จะต้องกราบให้ พอลูกสาวก้มลงกราบอาจารย์ก็กราบด้วยพร้อมกับลูก พระยังบอกว่าให้ประเคนด้วยคือต้องส่งอาหารให้พระ พออาจารย์เวลาผ่านไปประมาณ 30 นาทีลูกสาวอาจารย์กลับมาสาวขนมของหนูซื้อมาให้ลูกหายไปไหนกลับมาก็ถามว่าขนม เวลาจะกินต้องดูว่าเขาประเคนลูกๆทุกคนจงจําไว้เวลาๆเดี๋ยว